สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาตนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฏทองคําของศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ฟิลิปเท็งและแปลโดยศาสนาจารย์สุพิธวิจักโยทินนะครับและกฎข้อที่10ก็คือกฎแห่งการได้และการเสียเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตและกลายเป็นการได้รับชีวิตกลับคืนมา ในเช้าวันนี้จะกล่าวถึงเรื่องของการเสียและการได้เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่1 9ข้อที่2 7เถึงเรารู้ว่าเปโตรนั้นเมื่ออยู่กับพระเยซูเปโตรนั้นก็มีความจริงใจกับพระเยซูครับเปโตรทูลพระเยซูว่าข้าพง้งหลายได้สลาสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มา พวกค้าปรงจะได้อะไรบ้างนี่เป็นคำถามของเปโตที่สำคัญมากครับและน่าจะถามแทนเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้เปโตเป็นตัวแทนของสาวกทั้งหมดและถามคำถามนี้ทุกคนที่ยอมจ่ายค่าจ่ายราคาให้กับการประกาศข่าวประเสรศิฐว่าเมื่อเขาติดตามพระเยซูมาสละสิงสารพัดติดตามและ ประกาศข่าวประเสริฐทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยเขาจะได้รับอะไรครับคําตอบเขาได้รับไปเรียบร้อยแล้วครับและคนเหล่านี้เขาสามารถยืนหยัดในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐไว้ได้จนถึงที่สุดในพระธรรมมัทธิวบทที่19นี้ในข้อสุดท้ายครับยังเตือนเราให้ระมัดระวังและตื่นตัวเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจแต่ก็รีบกาวเข้ามาบนเส้นทางนี้ในการถวายตัวในการประกาศเขา เ, ราเิริญในการเป็นคนที่รับใช้พระเจ้ากาวเข้ามาบนเส้นทางนี้ในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าถูกดันออกไปเป็นคนต้นครับเมื่อเป็นคนต้นแต่ว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจก่อนไม่ได้สละสิ่งสารพัดแต่เดินเข้ามาโยงนี้ในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนสุดท้าย เนื้อครับคือความน่ากังวลใจเพราะคนต้นจะกลายเป็นคนสุดท้ายแต่สำหรับบางคนครับเขาอยู่ข้างหลังเป็นคนท้ายในการไต่ตรองใข่ควรทำความเข้าใจอย่างดีว่าการเป็นสาวกนั้นเป็นอย่างไรเขาสละสิ่งสารพัดมาเพื่อใครและเขาติดตามใครกันแน่พี่น้องครับนั่นแหละครับเมื่อเขาทำความเข้าใจถูกต้อง ว่าเขาได้สิ่งสารพัดเพื่อพระเยซูได้ติดตามพระเยซูเขามั่นใจว่าเขาติดตามพระเยซูจริงๆครับเขาจึงจากข้างหลังเป็นคนท้ายเขากลับกลายเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเงื่อนไขก็คือว่าเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าเขามั่นใจจริงหรือเปล่าเขาสละสิ่งสารพัดจริงหรือเปล่าเขาติดตามใครกันแน่นั่นแหละครับ หลายคนเข้าใจว่าการติดตามพระเยซูการประกาศข่าวประเสริฐการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลานั้นคือการสูญเสียอาจจะใช่ครับก็คือเราขาดโอกาสที่จะล่ำรวยเราขาดโอกาสที่จะมีชื่อเสียงฝ่ายโลกเราขาดโอกาสหลายอย่างเมื่อเรามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐมาเป็นผู้ที่พระคัมภีรบอกว่าเสียสละสิ่งสารพัดติดตามพระเยซู แปลว่าสิ่งที่เราเสียไปในเวลานี้หรือการที่เรางดเว้นไปเราไม่ปรารถนาที่จะได้สิ่งของที่อยู่โลกนี้นั้นเป็นการที่เรากำลังเข้าสู่พระสัญญาที่เราจะได้รับพระิริของพระเจ้าได้รับอําเน็ตของพระเจ้าชั่วนิรันดร์การพระคัมภีร์บอกว่าเราจะได้รับบัลลังก์จะครองบัลลังก์ร่วมกันกับพระเยซูเราจะได้รับศักดิ์รีและเมื่อสารสิ่งได้ไดการฟื้นคืน ขึ้นอำนาจการพิพากษาสิ่งต่างเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราร้อยเท่าบ้างสาสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างชั่วนิจ น, นิรันต์พี่น้องครับเมื่อสาวกในขณะนั้นเขาได้รับคําตอบว่าเขาติดตามพระเยซูได้สละสิ่งสละพัดเขาจะได้อะไรเป็นความประทับใจที่ลึกซึ้งมากครับพี่น้องครับเป็นความทับใจที่ลึกซึ้งมาก เขาได้รับคำตอบจากพระเยซูแม้ทุกวันนี้เรารู้เรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์กับเรามากมายมหาศาลทีเดียวครับคำถามในเช้าวันนี้ก็คือว่าท่านคิดว่าท่านติดตามใครครับท่านทำเพื่อใครท่านสาระสิ่งสรรพัดจริงหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะสำคัญครับเป็นคำถามที่เราจะต้องถามว่าเราทำไปในวันนี้เพื่ออะไร เราได้เป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐจริงๆหรือเปล่าในการขับประกาศข่าวประเสริฐนั้นเราเสียอะไรครับเราเคยเสียอะไรมากกว่าที่จะเสียเหงื่อเสียแรงเราเคยเสียถึงขนาดเสียโลหิตเสียเลือดไหมครับในสมัยโบราณนั้นผู้ที่ติดตามพระเยซูเขาต้องถูกข่มเหงเขาต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากเขาต้องตกอยู่แม้กระทั่งบางครั้ง ต้องถึงกับถูกฆ่าตายเพื่อข่าวประเสรชนั่นเองพี่น้องครับเราจะได้รับอะไรครับสิ่งที่เราจะได้รับในอนาคตนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวล น, นั่นคือการคิดว่าเราจะได้และเราจะเสียอะไรกฎของการได้และการเสียครับ เมื่อเราเข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าเรามีแต่ได้รับและได้รับเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าจะเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่ถวายตัวผู้ที่เสียสละสิ่งสารพัด ต, ติดตามพระเยซูไปเขาได้รับชีวิตทีรันชีวิตของเขาเกิดผล สาเท่า60เท่าร้อยเท่าชีวิตของเขานั้นก็เป็นชีวิตที่อยู่ในความอุปถัมภ์การดูแลอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยถ้าเขาติดตามพระเยซูจริงๆครับถ้าเขาเสียสละชีวิตของเขาในการติดตามพระเยซูจริงๆครับประเด็นต่อไปก็คือว่าเมื่อเรา หวานด้วยน้ําตาเราจะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโ吼ร้องนั่นคือกฎเกณฑ์ของการรับและกันได้การเสียโซดีบทที่126ครับข้อที่5และข้อที่6ขอให้ผู้ที่หวานด้วยน้ําตาได้เก็บเกี่ยวด้วยความยินดีขอให้ผู้ที่หวานด้วยน้ําตาได้เก็บเกี่ยวด้วยความยินดีพี่น้องครับการ หวานด้วยน้ำตาก็คือการหลั่งน้ำตาการจ่ายราคาการจ่ายค่าทดแทนมันหมายถึงการทดลองครับมันหมายถึงความกดดันมันหมายถึงความยากลำบากมเมล็ดข้าวเดิมที่เป็นของตัวเองตอนนี้โปรยออกไปแล้วมเมล็ดพันธุ์พืชในยุ้งฉางก็ลดน้อยลงแล้วดูเหมือนจะสูญเสียแต่สุดท้ายครับตอนเก็บเกี่ยวก็จะได้ยินเสียงโหร้อง วานออกไปมันคล้ายกับการสูญเสียแต่ตอนเก็บเกี่ยวนั้นก็ได้กลับมามากมายวานออกไปเป็นน้ำตาเก็บเกี่ยวกลับมาเป็นเสียงโหรงชื่นชมยินดีการดูเหมือนสูญเสียกลับกลายเป็นการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์พี่น้องครับคนที่เกี่ยวและคนที่วานจะชื่นชมยินดีไปด้วยกันครับนี่เป็นความเข้าใจ ที่สำคัญมากสําหรับผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้ที่รับใช้พระเจ้าบางคนนั้นก็หวานเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อไว้ครับและเขาก็ไปและต่อมาเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อนี้ก็เติบใหญ่ขึ้นและก็เกิดผลมากถวายเกียรติพระเจ้าศิทธิพิบาลหรือผู้รับใช้พระเจ้าผู้ประกาศข่าวประเสริฐเดินทางไปตามที่ต่างๆ เขาได้วางรากฐานแห่งพรวจนะวานพราวจนะไว้พราวจนะที่ถูกวานออกไปนั้นก็ตกไปในดินดีตกไปในดินที่มีหินมีน้ำตกไปข้างทางพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ตกไปในดินดีก็เกิดผลสสบหกสิบเท่าร้อยเท่านี่นะครับคือกฎของการวานและการเกี่ยวกฎของการ ได้รับและกฎของการเสียกฎของการเสียอะไรเขาจะได้อย่างนั้นครับพี่น้องครับได้มากกว่านั้นอีกหวานด้วยน้ำตาเก็บเกี่ยวด้วยความชื่นชมยินดีและในที่สุดผู้วานและผู้เกี่ยวจะชื่นชมยินดีไปด้วยกันและรับรงางวัลด้วยกันท่านศาสนาอาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านก็ได้เล่าประสบการณ์ในปีหนึ่งเกสี่ครับ ท่านไปที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นครั้งแรกเทศนาที่ c m a mission ที่เกาะฮาวายมีศาสนาจารย์ชาวเมริกันคนหนึ่งชื่อ levin e d w a r o n เขาเพิ่งสร้างอาคารโบสถ์เสร็จครับคริสจักรของเขาจเจริญรุ่งเรืองมากเมื่ออาจารย์ฟิลิปเทงสนทนากับท่านศาสนาจารย์ e อ w a r d s ท่านถามอาจารย์ฟิลิปเทงว่ารู้ไหมว่าทำไมคริสจักร ถึงจเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ท่านเล่าว่าก่อนที่ท่านจะมารับงานที่นี่มีผู้รับใช้พระเจ้าคู่หนึ่งครอบครัวหนึ่งมาทำการประกาศที่นี่20ปีไม่เกิดผลอะไรแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ามาเป็นผู้ทำการเก็บเกี่ยวให้แหละนี่คือความชื่นชมยินดีทั้งผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยวเพราะเราทั้งสองคนจะได้รับรางวัลพร้อมกันผู้ที่ทางานบุกเบิก ยังไม่ได้มีประสบการณ์ชื่นชมดีกับการเก็บเกี่ยวไม่ต้องเสียใจเขาควรซื่อสัตว์ขยันหมั่นเพียรถวายตัวเองในการรับใช้เพื่อว่าจะได้รางวัลในบ้านปลายพี่น้องครับตัวอย่างเหล่านี้ครับทำให้เรานั้นมีกำลังใจในการที่เราเองจะอยู่ในบทบาทของการหวานการเกี่ยวการสร้างแม้ว่าอาจจะยังไม่เกิดผลหรือเกิดผลน้อย อย่าท้อใจครับให้เราตั้งหน้าตั้งตาด้วยความสัตด์ส่อวิ์วิยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะทำต่อไปแล้วมีวันหนึ่งครับคนที่หว่านและคนที่เกี่ยวจะชื่นชมดีด้วยกันอาเมน